อนาปติวานพิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ976 1นพิกุณีไม่จะริกไปเมื่อมีอันตราย2อพิกุณีแสวงหาพิกษุณีผู้เป็นเพื่อนไม่ได้3าพิกุณีเป็นไข้4ีพิกุณีผู้มีเหตุขัดข้อง5้พิกุณีวิกุลจริตหกพิกุณีต้นบัญญัติสิขาบทที่10จบตัววัดตวรรคที่4จบ